ทำทัาทงกล่าวไว้ว่ากาจาวิเวกิตตะวิเวสปุปัธิวิเวสมีความสังัดสามเป็นสามชั้นการปฏิบัติเพื่อความสังัดทั้งสามประเภทนี้ก็มีกาจวีเวสถ้าเป็นน้ำบวช ท่านก็สอนดังที่ปรากฏในอนนิสต์มุขมลเสงาสนังสน่งนะเพื่อกายรูย้ไม่มีสิ่งที่มากวนประสารผ่านเข้ามาทางตาทางหูงทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าไปฟ้องใจใจผู้รับเรื่องขอความวุ่นวายขึ้นมาใส่ตัวเอง กายยิเวศได้ดําเนินไปได้วยความสะดวกสบายในสถานที่เหมาะสมจิตตนั่นก็เป็นบาดฐานของจิตตวิเวชคือการเข้าไปหากายยิเวก็เพื่อเพื่อจิตตวิเวชและเพื่ออุปตัตตวิเวชในระยะเดียวกันการได้รับความสะดวกไม่มีอมะไรรบกวนประสาท ทางตาทางหูทางสมองทางนิ้วทางกายใจก็ไม่ยุ่งทางหน้าต่างๆบําเพ็ญอิจตทรนาเพื่อความระงับทางด้านจิตใจไม่คิดไม่ปรุงก่อความมุ่งวายใส่ตนโดยลําพังซึ่งม <ooh> ิตรต้องเกี่ยวข้องกับทางตาหูสมอกนิ้วกายเข้าไปเกี่ยวเข้าไปฟ้องเลยการบําเพ็ญอย่างนี้โดยสม่ําเสมอหสถานที่เหมาะสมอยู่โดยสม่ำเสมอสาหรับนักปฏิบัติ หรือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมงานของตนให้กล้าหน้าตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมมีความก้าหน้าขึ้นโดยลำหนักลำหนักกายวิเวกก็มีความเคยชินกับสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นจิตวิเวกคือความสงัดจิตด้วยอํนานาจแห่งจิตตภพวนนาเพราะได้สถานที่เหมาะสมเป็นที่บําเพ็ญก็ย่อมมีความสงัด ภายในกิตใจสงัดจากอารมณ์ก่อควรตัวเองที่เรียกว่าสมารถมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำหนักะปกติของจิตสร้างความวุ่นวายให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกิริยาบทหรือไม่มีสิ่งใดมาเป็นเครื่องสีดขวางหรือห้ามตาม ง, งานของจิต นอกจากจิตตภาวนา ท, ที่เป็นเครื่องห้ามปรามจิตงานของจิตที่สร้างเรื่องพูดวาหรือสร้างความวุ่นวายให้แกตนได้เพราะฉะนั้นจิตตะวิเวรศจึงมีความจำเป็นด้วยจิตตภาวนาในขั้นที่วควรบังคับก็เช่นเดียวกับเราจับจัดมาฝึกหัด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 แม้จะเป็นสัตว์ของตัวเองมันก็เป็นฆ่าศึก eh ต่อตัวเองเพราะเขาเข้าใจว่าเราเป็นฆ่าศึกต่อเขามันต้องมีความรือแรงต่อกันไม่น้อยและสุดท้ายก็สู้คนไม่ได้เพราะคนมีความฉลาดเหนือสัตว์และสัตว์ก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวไปเองว่าคนไม่ได้ทํำไม่เขาไม่ได้ทําอันตรายเขาแต่อย่างไรเป็นทีเพียงว่าฝึกหรือทํางานชนิดหนึ่งมอบ ง, งานชนิดหนึ่งหรือฝึกงานชนิดหนึ่งให้เขาเท่านั้นต่อไปเขาก็ค่อยทําไปเรื่อยขึน ใส่ลอ้อใส่เพียงก็ดันไปตามเรื่องพอทำนี้ทำนั้นแล้วเจ้าของก็ไม่ทมาําอะไรถึงเวลาเราก็จับมาใส่ลอ่อใส่เพียงแล้วไล่ไปเลยแต่ผอะไรก็ได้ทั้งนั้นจิตใจในเบื้องตน้นซึ่งไม่เคยได้รับการห้ามปรามด้วยวิธีใดๆทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงขณะที่เราเริ่มฝึกหัดภาวนาจึงเป็นจิตที่ผ่านผล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 ระหว่างจัดภาณะกับเจ้าของที่เขาฝึกเพื่องานของเขาสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาได้ <c oughs> มี่จิตใจถึงจะลําบากลําบนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาภานในจิตยินได้เห็นผลเห็นประโยชน์จากการฝึกทรมาตรนตนคือมีความสงบตัวขึ้นมาเรียกว่าจิตตะวิเวคือจิตมีความสงบสงบ่า ไม่คิดกุงสั้งสงครามไปตามเผลงของตนโดยไทยเดียวแม้จะคิดก็มีการยับยัง้งมีการใค่ครวนว่าควรหรือไม่ควรการคิดนั้นคิดเรื่องใดประเภทใดบ้างที่จะก่อให้เกิดขี้เหร่ อ, อาลวะหรือจะให้เป็นถึงเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้ขี้เหร่ขึ้นมาจิตก็เป็นผู้ใค่ครวนพิณิพินพจนาคือสติปัญญาณนะา ค, ค่ครวนจิตเมื่อรับการอารักขาพยายาม ป้องกันสิ่งที่เป็นไท่แม่เกิดขึ้นจากจิตและพยายามส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณแกกจิตใจให้มีขึ้นเรื่อยๆจิตจ่อมนะครับความสงบเย็นใจขึ้นมาเป็นจิตตวิเวทนะความที่ว่าจิตตวิเวทก็มีความละเอียดไปโดยลำดับเรื่องมาจากกาตวิเวทพอควรแจกการแจกงาน แม้แต่ขั้นคิดตัิเวกก็จําเป็นต้องใช้ปัญญาคน้นคิดตามการตามเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมหรือโอกาสตันควรเป็นจิตมีความสงบเย็นใจพอสงควรต่อหน้าที่จะทําหน้าที่การงานในทางปัญญาได้แล้วก็ต้องฝึกหัดคิด ต, ต่างๆด้วยปัญญาโดยถือท่าถือขันหรืออาจฉระ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 ทติปัญญาด้วยการพึงหาคิดค้นมีความแยบคายทราบความผิดถูกดีชั่วของตนและทราบความติดข้องภายในจิตใจของตนว่าติดข้องเพราะเหตุอะไรจะต้องพิจารณาอย่างไรจิตควรจะถานจะพ้นจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้ก็นําปัญญาเข้ามาพิจารณาเหมือนเขาคาดนาคาดกลับไปกลับมา จงกระทั่งมูลพระมูลไถแหลกละเอียดเป็นที่พอใจแล้วเขาก็ดอุในส่วนจัดวาชนะที่รับภาระในการค่าการไถจะช้าหรือเร็วไม่สําคัญสําคัญที่มูลพระมูลไถแหลกละเอียดเป็นที่พอใจเหมาะแก่การเขาปลูกแล้วนั่นแหละเขาถึงจะดุเรื่องปัญญาของเราจะช้าหรือเร็วไม่สําคัญ จะกจี่ั้งขี่หนในการพิจารณาโดยถือธาตุขันของเรานี้เป็นเหมือนกับพื้นที่สติปัญญาเป็นเหมือนกับเราคาดเราไถ่ค้นคว้าอยู่นั้นข้างแล้วข้างเนาจนเป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัด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 ที่จะปล่อยวางหรือยุดกันได้ในขันใดมีรูปประขันเป็นต้นมันก็หยุดอย่างนั้นเช่นเดียวกันเราไม่ได้คาดได้ฝันได้หมายไว้ก่อนก็าตามการพจารนานี้เป็นปัจจตังการเข้าใจเรื่องตัวเองเรื่องธาตุหนึ่งขันเป็นสำคัญเข้าใจด้วยปัจจตังเมื่อถึงขั้นพอตัวในทำขั้นใด ในขันใดจิตย่อมปล่อยวางตัวได้ปล่อยวางกับการพิจารณานั้นได้เช่นเ ด, เดียวกับเขาหยุดคาดนาแล้วการช้าการเร็วของสติปัญญาเราอย่าไปตำหนิตีเกียน <c oughs> หน้าที่ของสติปัญญาจะเป็นผู้ทำเองหน้าที่ใดทีก่การแก้ที่เดือดรอะการเข้าใจในเรื่องต่างๆเป็นหน้าที่ของสติปัญญา จะกันกลองลงไปตามกำลังความสามารถเราเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นนายงานหัวหน้างานคอยสอดสอนดูแลสแติเป็นสำคัญให้ความรู้นั้นจดจอ่อกับงานแล้วปัญญาเป็นผู้คี่กลายดูสิ่ง น, นั้นๆที่ความรู้กำลังจับหรือกาลังจดจ้องหรือสัมผัสสัมพันธ์นั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วไม่ต้องบอกปล่อยเองไม่มีใครจะ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 มีเรียวจิตที่เป็นจิจตาวิเวกแล้วกําลังก้าวเดินเพื่อเป็นอุปทิเวกค่อยสังกัดจากวิเลตไปเดิลำดับวิเลตประเภทใดก็ตามต้องเป็นข่าศึกต่อใจอยู่โดยดีไม่ว่าจะเป็นส่วนจากส่วนละเอียดเป็นข่าศึกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยว่าวิเลตอันใดเป็นของดีประเภทใดเป็นของดีท่านสอนให้ละโดยสิ้นเชิง ทิ้งเฉยไม่ให้เหลือเลยสมกับว่าสิ่งนี้เป็นท่าเึกก็เหมือนกับเสือพ่อมันก็เป็นเสือแม่เป็นเสือลูกเกิดมามันก็ต้องเป็นเสือเสือมันกินอะไรมันกัดอะไรมันเป็นอันตรายต่อสิ่งใดบ้างทราบกันเรื่องของกิเลตก็เป็นทำนองเดียวกันนันมันเป็นอันตรายต่อจิตใจแล้วขยายไปก็ตอบผู้เกี่ยวข้องต่อหน้าที่การงานเลยเป็นที่เป็นภัยเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของด มันต้องชำรนะมันต้องกาจัดโดยกำหนดด้วยปัญญานี่เราหมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการพาวนาเพื่ออุปทิเวหาถึงคราวจำเป็นขึ้นมาที่จะต้องนำมาใช้แบบผดโผลแบบเข้มข้นแบบเอาเป็นเอาตายก็มีเช่นระยะจนกรอบจนมุม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 เมื่อจิตได้ตรงใจรงอย่างนั้นแล้วอะไรก็เถอะจะไม่มีถอยเลยทุกเวทนาจะยกเมฆ ก, กันมาก็ตามเมฆ ก, ก็เท่ากับส่วนร่างกายในขัน5้าฉะนั้นไม่ได้เมฆหนากว่านี้ใหญ่กว่านี้ถ้ายกเมฆมาก็ดีก็เมฆขันเมฆธาตุนี่เองปัญญาเท่านั้นเป็นจะเป็นทมนกปิดกั้นได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของทุกเวทน า, ท, ท, นาทุกประเภททุกแง่ทุกมุมที่ ทุกเวทนาปรากฏขึ้นมาอเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> เราถือเอาตรงความจริงนี่เลยคือกองธาตุนี่แหละคือกองทุกหน่ะเอาตรงนี้ความหลงนี่แหละผู้ที่พาให้เราจมในทุกความหลงนี่เท่านั้นเป็นผู้สั่งสมทุกส่งเสริมทุกด้วยสั่งสมทุกด้วยส่งเสริมทุกให้มากขึ้นด้วยนี่เานั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 นี่แสดงว่าความสําคัญความเข้าใจเหล่านี้ตองว่ากระดูกท่อนนี้ขึ้นนี้เป็นทุกไม่ได้เป็นทุกกระดูกต้องเป็นกระดูกดู100่ร้อยเปอร์เซนตตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงมันสลายไปแห่งกระดูกกลายเป็นดินลุ่บเป็นอย่างนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามก็คือทุกขเวทนาเรียกว่าเวทนาขันกองทับแห่งความทุกข์กระดูกอ่า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 ว่ากายของตนเป็นทุกข์เพราะตนถือว่ากายนี้เป็นตนเป็นของตนนี่มันก็ค้าเท้าเข้ า, ขาขไปแบบนี้เองเพียงความรู้เท่านั้นไม่สามารถรักษาตัวได้ดังที่เคย อ, อธิบายให้ฟังแล้วเช่นคนเป็นบ้ามันมีความรู้อยู่เหมือนกันกับมนุษย์ทั่วๆไปเป็นแต่สติปัญญาความรับผิดชอบผิดถูกดีชัว่วอใดๆมันไม่มีเท่านั้นส่วนความรู้นั้นมันมีเดินไปตามภาษีภาษาคือมีแต่ความรู้ ไม่มีความระลึกได้ว่าผิดถูกดีชั่วไม่มีสติปัญญาไก่กลองว่าลึกตื้นหยาบละเอียดหรือผิดถูกดีชั่วประการใดมี่แต่ความรู้จึงไม่ไม่กล้าแบบมันจะกลัวอะไรจะไปกล้าต่ออะไรไปตามภาษีภาษาแม้ที่สุดกลางถานนมันก็นั่งมันก็นอนอยู่ได้อย่างสบายมันไม่ได้คำหนึ่งบ้านพายเรือนใคร เรือนใคร่ประตามหน้าบ้านหน้าเรือนใคร่ประตามมันไม่สําคัญว่าเป็นของใครมันมีแต่รู้ๆไปธรรมดานี่แหละกิตที่มีเพียงรู้ๆเนี่ยเราดูคนที่เป็นภาพมีเกี่ยวกับความรู้ที่ในกิจของเราในขณะที่เจอกับภุเกเวธนาเจอกับสภาพเที่ยงนั้นถ้ามีแต่ความรู้ล้วนๆธรรมดาไม่มีสติปัญญาเข้าเป็นเจ้าของคอยป้องกันคอยรักษาแล้วมันจะต้องยึดตรงนั้น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 เราจะต้องได้ทุ่มลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำถึงความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่คํานึงถึงเรื่องการเป็นการตายเพราะนั้นเป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นโน่นตนี้รอกันอยู่ภายนอกนั้นส่วนความจริงจริงไม่มองดูกัรนั้นที่โลกเรามันถึงทุกข์ถึงมีความลําบากมากมายถ้าเราพิจารณาตามความจริงตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วใครจะไปกลัวตายใครจะไปกลัวทุกข์ทำไมมันเป็นของจริงด้วยการทั้งนั้นไม่มีใครกลัว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 ถึงจะไม่พ้นในชาตินี้ก็ตามก็พ้นอยู่ภายในจิตให้เห็นอย่างชัดเจนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันภายในจิตให้รับความทุกข์ความลำบากเลยเพราะปัญญาเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเชียบขาดแหลมคมฟาดปันผิงนั้นให้แตกกระจายไปหมดคือชฉพาความจอมปลอมความคิดความถือด้วยความเข้ารู้เท่าหมายถึงการนะให้ขาดสะบั้นออกจากกันเหลือแต่ความจริงล้วนกลัวตายไปหาอายนะ ทำมาตายมันก็โกหกกันเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่เราไม่ได้พูดใส่สร้ายป้ายสีผู้หนึ่งผู้ใดเพราะต่างคนมันพูดกันอย่างนั้นสซ้ำๆกันอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าโกหกกันโดยไม่มีเจตนาที่เราให้เรียนความจริงให้มันถึงเหตุถึงผลด้วยการทุ่มส ต, ติปัญญาลงไปโดยไม่ต้องกลัวตายเลยกลัวหาอะไรกลัวเหตุกลัวลมกลัวแรงไปทำไมดูความจริงให้มันเห็นให้ถึงที่สุดของความจริงอ้าวอะไรจะตายก่อนแต่หลังถ้าตายก็ให้ให้รู้พิจาราอย่างนี้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 เวลาจะเป็นจะตายก็จะไม่ได้อะไรจะได้แต่ความทุกข์ความร้อนความลําบากลําบนความกลัวเป็นกลัวตายสุด ท, ท้ายก็ตายไปทั้งทั้งติดกลัวและหอพทกไปด้วยนี่อย่างหนือนั่นเพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนจึงต้องตั้งหลักสนามรบลงในระหว่างขันกับจิตอ่ะขันเป็นขันจิตเป็นจิตเอาตั้งกันลงที่ตรงปาช้าไม่มี่ เอาเอาถึงขีดสุดกันแล้วปาช้าของขันก็ไม่มีปาช้าของกิจก็มีขันสลายตัวลงไปตามธรรมชาติของมันมีปาช้าที่ตรงไหนเน่ดินเป็นดินน้ําเป็นน้ํามลมเป็นรวมไปเป็นไป <S <S นี่มีปาช้าที่ตรงไหนถ้าว่าปาช้าก็เต็มเป็นทั่วทั้งแผ่นดินที่เรานั่งอย่างนี้ก็เป็นปาช้าเพราะมันเป็นธาตุดินด้วยกันแน่เวทนาเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นเวทนาเป็นเป็นปาช้าที่ไหน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 และรู้เท่าด้วยแสดงขึ้นทางใจไม่มีเพราะหมดเชื้อที่จะสมมติคือทุกเวทนาหรือสุขเวทนาเป็นสมมุตินี้แสดงขึ้นที่นั่นเพราะไม่มีเชื้อให้ให้สมมุติอันนี้เกิดขึ้นมาได้ทังยาสั้งขานยินยาณอันนี้มีประช้าที่ไหนมันมีความเกิดความดับธรรมธรรมดางมันโดยอาศัยจิตเป็นต้นเหตุทร่อเป็นรากฐานแล้วแสดงอาการขึ้นมา มาทางตาก็ตาเป็นเครื่องมือด้วย เ, เป็นทางเป็นสื่อเข้ามหาใจทั้งหูก็เป็นสื่อเข้ามหาใจจมูกลิ้นกายเป็นสื่อเข้ามหาใจใจถ้าเป็นผู้ฉลาดแล้วเพียงรับทราบรับทราบวินัยไถ่ตามหลักธรรมาชาติของตนรู้เรื่องตามความจริงแล้วปล่อยวางไปโดยไม่ต้องไปบังคับให้ปล่อยวางรู้เท่ารู้เท่ารู้เท่าทานันรู้ตามเป็นจริงตามไม่จริงอันนั้นก็เป็นสักท์ว่าผันผ่านไปผันมาธรรมนาเท่านั้นเล่าก็มีอะไร แล้วคนหนักกำตายจริงอยู่ที่ไหนไมันไม่มีนี่ยเราเหลือแต่ความรู้ทั้งรัวแล้วกลัวที่ไหนกลัวตายกลัวอะไรแล้วกลัวลมกลัวแรงแต่เราลืมกลัวเพราะตัวจริงของมันจึาต้องพิจารณาความหลงเป็นตัวสำคัดความสงฆ์ก็ทําให้สําคัญสําคัญว่านั่นเป็นเรานี้เป็นเรา อะไรปรากฏขึ้นมาอะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะความสําคัญนั่นแหละเป็นสูตร ส, สำคัญอันหนึ่งงั้นก็ออกมาจากโมหะวิชาซึ่งอยู่ภายในจิตใจมีอนันต้นเขาหรือเป็นรากเหง้าสําคัญและแสดงมาอาการที่สองคือความสาขัญมั่นหมายว่าทิ้งนั้นเป็นเราอันี้เป็นของเรามี่ล้วนแล้วทั้งแต่เรื่องจอมจอมปลอมทั้งนั้นถ้าเราหาความจริงแล้วเราจะไปหลงความจอมปลอมอย่างไงต้องรู้ความจอมปลอมนี้ด้วยปัญญา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 เชื่อตำตามตำหรับตําราอะไรเรื่อยในกาลมาสูตรท่านแสดงไว้เชื่อตามบุคคลที่ควรเชื่อได้นั่นท่านหมายถึงว่าถึงขั้นที่ควรจะเชื่อตัวเองแล้วไม่ควรจะไปเชื่อแบบนั้นท่านไหวงั้นท่านมาได้ปฏิเสธโดยประการทั้งปวงว่าไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำนาตำลามันตามเป็นขั้นขั้นมาการเชื่อแต่เมื่อถึงขั้นเช่นนี้แล้วซึ่งควรจะเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิของใจแล้วเรายังจะไะหาลูกคำ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 ของโลกที่สมมติกันมาเราที่จะนําให้มันเห็นความจริงตามสมมุติซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราด้วยอางกระจัดแล้วก็หายสงสัยนีน่ะระหว่างส ง, สงครามกับเราระหว่างขันกับจิตเป็นสําคันระว่างจิตกับกิเลสที่มีอยู่ในจิตนี่ซึ่งเคยอธิบายแล้ว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 คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างแล้วก็ดีจะมีอยู่ภายในใจก็ดีหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงไม่ได้ไปตําหนิอันไรไม่ได้ไปชมอันไหนว่าเป็นนิจังทุกขังตาอเป็นอะไรก็ดีหมดการตำหนิผิดชมเพราะเชื้อแห่งการความตำหนิชมมันหมดไปแล้วนะความผิดชมมาแต่ที่ไหนนอกจากไม่แต่ความจรินล้วนๆโดยหลักธรรมชาติเท่านั้น นี่การเอาชัยชนะเอากันที่ตรงนี้<ฮ>ชนะตัวเองชนะอย่างนี้แหละแสนสุขปรสริสุดเอาชนะตัวเองเอาที่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวตัวเองเป็นพิจารณาอย่างนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดรวมลงถึง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 ตามที่ท่านว่าลูกข้างนาคีอชาตาตะทุกย่อมมามีแต่ผู้ไม่เกิดก็คืออยู่ที่จุดนั้นเองเมื่อลบล้างป่าช้าได้หมดด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วทุกย่อมมามีแต่ผู้ไม่เกิดก็อยู่ตรงนั้นจิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีไม่ใช่เรื่องกิเลสเราเอาพูดทุงเรื่องจิตก็เกิดความคิดความปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาก็เป็นขันนล้วนไม่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้คิดให้ปรุงอะไรทั้งหมด ท่านจึงไม่เรียกว่าเกิดที่ีออกจากอย่างนี้เมื่อธาตุขันสลายไปหมดเรียกว่าล้างธาตุล้างขันไปโดยการตาย ต, ตามสมมุติยมแล้วก็เป็นอันวมาล้างปัจฉาไปในตัวเสร็จเลยปัจฉาที่จะเอาธาตุขันมาตั้งเป็นปัจฉาภายในตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่าหมดปัญหากันไป ปาช้าของจิตที่บริสุทธิ์มีที่ไหนอี่นีนอกจากนี้พานนางปรามังสุ ข, ขังเทนั้นไม่มีความเป็นอื่นมีเท่านั้นขอให้นำไปพิจิดพิจารณาคนคว้าลงมาตาที่จุดนี้เรื่องชัยชนะเรื่องความจริงจะเห็นอยู่ที่จุดนี้เองไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่รับรองความจริงและความบริสุทธิ์สุดพ้นมีนี้เท่านั้นจึงขอจุตติเพียงเท่านี้น